น <laughs> อ, อฟังธรรมเป็นส่วนประกอบเในสงค์มรรคการฟังธรรมจิตของทมความเหอนได้ถูกต้องนด้ จากการได้ยินได้ฟังจิตของผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสเห <c oughs> นือนการขูดเตาขัดสีออกนอกจากนั้นเราก็มีการกระทําให้เกิดขึ้นปฏิบ <c oughs> ัติเสริมก็ไปอีกเป็นการพบเห็นมีสติ <c oughs> เห็นก็เห็นของเท็จของจริงที่มันมีอยู่มันกบเกื่อนเอาไว้เห็นกายมันก็มีอยู่จริงกายนี้มันก็มีที่ตั้งหลายอย่างเกิดภพเกิดชาติอยู่ที่กายเกิดเอะไต่างๆมากมาย ออย่างหลักมันอยู่ตรงนี้มันกลักมันหลงตรงนี้เห็นเวทนามันก็เป็นพบเป็นชาติอยู่ที่เวทนานี้แล้วก็หลงตรงนี้มันผผกมัดไปตรงนี้เป็นด่านกักที่เดินไปไม่ได้เห็นจิตมันก็เป็นพบเป็นชาติอยู่ที่จิตนี่้ลอ <c oughs> งหลงความสุขความทุกข์ เกิ อ, อยู่กับขิดนี้มากมายเกิดชิเลตันหาเกิดอาการต่างๆมากที่สุดอยู่กับขิดนี้เป็นธรรมต่อสำคัญมั่นหมายอะไรเป็นตัวเป็นตนเพิ่มขึ้ไปะอีกบางมองกูกูกูดีกว่าบางมึงเร็วกว่ากูมึงเป็นสัตว์กูเป็นคน <c oughs> มึงเว็นคนก็เป็นคนธรรมดากูเป็นพ่อค้ามึงเป็นคนกูเป็นพ่อค้ามึงเป็นคนกูเป็นข้าราชการมึงเป็นเฉกาชการกูเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นมหาลายชาและก็สําคัญเข้าไป เมืองโกโกูเป็นพวกเป็นชาติโจที่ทํานี่สําคัญมั่นหมายตัวด้วยเท้าก็คือตกอยู่ในหลุมฝังศพอันเดียวกันตั้งทั้งที่เป็นชาติเป็นคนเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาเป็นราชการเป็นอะไรก็าตามไปอยู่ในหลุมฝังศพอันเดียวกันนี่คือเราหลงตัวนี้ ชีวิตกิทิ้งไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์จากกายไม่ได้ประโยชน์จากเวทนาไม่ได้ประโยชน์จากจิตใจไม่ได้ประโยชน์จากธรรมในความหลงมั่จะเป็นความรู้ได้เนี่ยเราจงมาเห็นมันเห็นเล่าเห็นเล่าเห็นกายจักว่ากายอย่าฟังเฉยๆธรรมก็เหยนไปด้วย ไม่ใช่อะไรที่ไดมันแค่ตกปกิีเดียวอย่าห้ันไปไกลจนเป็นพวกเป็นชาติเป็นชีเลตทหารราชาเสุขเป็นทุกข์อยู่ที่กายมันไปไกลเกินไปมันหลอกเฉยดอกสุขทุกข์อยู่ที่กายนั้นสุขทุกข์อยู่ที่เวทนามันก็หลอกสุขทุกข์อยู่ที่จิตมันก็หลอก ให้จิตเป็นสุขให้จิตเป็นทุกข์ให้เวทนาเป็นสุขให้เวทนาเป็นทุกข์ให้กายเป็นสุขให้กายเป็นทุกข์ทูกหลอกกันมากแล้วไม่เี็ดไม่หลับถ้ามีสติเห็นเข้าไปเป็นเทศเป็นเจียงไกเก็สักแต่ว่าเฉยๆไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน จนเห็นเป็นรูปธ ร, รมเป็นนามธรรมอันกายเวทนาจิตธรรมนี่หายไปเดือแต่ธรรมชาติเดือแต่อาการไขกุญแจแช่โซ่ได้ตรง น, นี้แล้วหลุดไปแล้วไม่กักขังไม่ได้อีกเป็นอาการธรรมชาตินิดหน่อย ความสุขก็เป็นอาการความทุกข์เป็นอาการมันเป็นธรรมชาติ <c oughs> มันมีธรรมะคือธรรมชาติเพื่ออาการตามความเป็นจริงความสุขมันก็ไม่จริงความทุกข์ก็ไม่จริงมันไม่จริงในความไม่จริงมันจริงในความไม่จริง เห็นดอาการให้ธรรมชาติเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนที่ใดมันก็เป็นธรรมชาติรูปว่าเป็นรูปมหาพุทธลูปเอารูปมาเล่ความชั่วเอารูปมาทำความดีได้ไม่ใช่เอารูปมาเป็นตัวเป็นตน <บ>า <PTSD> นามเอามาลัความชั่วมาทําความดีได้รูปทำนามทำนะว่าเอามาทําดีทำความดีเกิดขึ้นที่รูปที่นามความชั่วเกิดขึ้นที่รูปที่นามคามสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่นามความไม่สุกไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้ ในรูปในนามนี่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนอะไรในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนมันครอบกลมอยู่นีไม่พ้นลูกทมนามทมนี่เหมือ น, นกันหมดชามันลักสณะ อย่ไปหลงอะไรมากจนเสียเวลาเสียเวลาในความหลงเสียเวลาในความสุขเสียเวลาในความทุกข์ไปให้ได้ซะไอุ้ญแจ่แช่โซ่ออกไปหลุดออกไปเป็นอิสละหน่อยนึ่งเอ็นูกทุกแห็นําทุกยิ่งดีใหญ่ มันมีทุกขอยู่ในกองรูปนี้ต้องหายใจต้องกรับต้องทายต้องเกิดอุปทานหลายเรื่องที่เป็นกองอยู่ในกองรูปเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ก็ได้อย่าหลงรวมทุกข์และททำให้เรามีปัญญามันเป็นกอง จนตื่นตื่นกองอันนี้กองทุกอันนี้สงสารลูกอย่าลงโทษลูกบางทีมันมีกองทุกแล้วยังซ้ำเติมมันลงไปให้มันลงไปให้มันมากขึ้นจนเป็น ขันหนักลงไปในความสุขก็หนักในความทุกขน์หนักคำาักความชางความพอใจไม่พอใจหนักลงไปอีกกระทบกระทือนถึงทำมธรรมัมนธรรมชาติเป็นนาการต่อเนื่องกันเฉยเฉยไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้มันก็มี มันมีลูกมีเวทนามีจิตมีธรรมมันจึงมีตัวไม่ตนเพราะไม่เห็นเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันจึงไม่มีอะไรที่เป็นสำคัญมั่นหมายวางง่ายว า, างเป็นแต่ก่อนวางไม่ค่อยเป็นไม่รู้จักวิธีเพราะไม่เห็นแจ้ง เป็นก้อนเนื้ของรูปธรรมของนามธรรมในรูปในนามนี่มันเกิดโรคหลายอย่างเป็นรูปโรคนามโรคโรคของรูปมีอยู่ตามธรรมชาติอาการของรูปโรกของนามมีอยู่ธรรมชาติอาการหรือกฎของธรรมชาติหรือหลงเข้าไป เพิ่มคงหลงเข้าไปอีกนอกจากนั้นก็มีสมมุติผญญัดซ้าหลงไปสำคัญมั่นหมายนามมาทำก็มีนามอี ก, กนัหนึ่งสำคัญมั่นหมายถ้าเราพอใจเราไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจ เป็นสมุติบัญญัติไม่ใช่ประมาจิ schön, ัจ mm. ักรมพอใจก็ไม่ใช่ตัวใช่อตนความไม่พอใจก็ไม่ใช่ตัวใช่อตนเป็นเป็นบัญญัต sí ิจนเกิดความสุขควาทุกข์เป็นบัญญัติเกิดชีวิตัญหาเกิดปัญญัติเกิดความกดความโลภความหลงก็บัญญัติลงไปอีก ในความโกรธความโลภความหลงไม่ใช่ปรัมมัดในความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เป็นจะจมันไม่จริงความจริงมันไม่ต้องเป็นอะไรเราอยู่เฉยเราไปสัาคัรเอายืดขึ้นมามาเห็นสมมุติมาเห็นปลามาตัตดในของไม่เที่ยงมันก็จริงแบบไม่เที่ยง ในความเป็นทุกข์ก็จริงแบบเป็นทุกข์มันหลงอยู่ตรงนั่นจริงแต่ในความไม่เที่ยงมันก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเห็นแจ้งในความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์มันเห็นแจ้งไม่สำคัญว่าตัวไม่เที่ยงเป็นตัวตนความเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนส่วนของจริงเป็นปัญญาตรงนี้ด้วย เออมันเห็นแจ้งไปอย่างนี้เบาบางจางคายไปเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาศีลก็ปกติมันก็อยู่เฉยๆนั้นปกติในความไม่เที่ยงก็ปกติในความมันทุกข์ก็ปกติในความไม่ใช่ตัวตนก็ปกติ แต่ความควมเที่ยงพาไปความรทุกพาไปความไม่ใช่ตัวตนพาไปวันไหวไปตามอาการความไม่เที่ยงความบรรทุกความไม่ใช่ตัวตนนั้นต่อไม่เสียใจร่องไห้เป็นสุขเป็นทุกข์พอเห็นแช้งอยางนี้มันก็ปกติปกติที่เกิดจากอาการต่งางๆไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหว เรีวยว่าศิลนเหมืนศิลาศิลนคือก้อนหินศิลนอีศิลาศิลาคือก้อนหินมันหนักไม่ปิวไม่หวั่นไหวภูเขาศิลาท่างเทปไม่สะเทือนเพราะลมผู้มีศิลนก็ไม่สะเทือนเพราะหวั่นไหวเรื่องอะไรทั้งสิน้นศิลนแบบนี้กําจัดจิเลตทำลายความโลภความกดความหลงลงได้ ทำลายความโกรธความทุกข์ลงได้ไม่ใช่ฉินรับจ้างฉินเอาไปอวดกันไม่ใช่เรื่องอวดฉินเรื่องนี้เป็นเรื่องยอมไม่เป็นลายไม่จำกัดว่าตัวว่าตนเ่นคนหนึ่งเขาจะเอาความโกรธเราให้เขาเราไม่เอากับเขายอมแล้วไม่เอาแล้ว เขาทุกข์เราก็ไ่เอากับเขาเราเขาหลีกแล้วเขาหยุดแล้วสมาธิมันก็มั่นคงไม่หวั่นไหวชัดเจนความหลงเป็นความหลงไม่เป็นอะไรอีกคามหลงจะเป็นความทุกข์ความหลงจะเป็นความสุขไม่ได้เด็ดขาด มันก็ตั้งต้นจากความหลงเหตุบรรจุกับความหลงพรหลงจะโกรธพรหลงจึงโลภพรหลงจึงมีเขียรตัญหาไม่มีค่าสำหรับความหลงความสุขความทุกข์มันมีสมาธิไม่หวั่นไหวไม่เป็นอื่นไปแล้วก็มีอยู่ในเราเนี่ยวันนี้เสก็รู้จั ก, กรับรู้อะไรก็หลอกไม่ได้ รูปน้ําหลอกไม่ได้กายหลอกไม่ได้เวทนาหลอกไม่ได้จิตก็หลอกไม่ได้ธรรมก็หลอกไม่ได้เมื่อบันหลอกอไม่ได้ก็เป็นปัญญารอบรู้รู้หมดอะไรความไม่เที่ยงรู้หมดความทุกข์รู้หมดความไม่ใช่ตัวตนรู้หมดความทุกข์ก็รู้หมด ไม่มีอะไรปิดบงังอภังพางตรงไหนอธิ่าความทุกข์ความสุข ก, ก็รู้หมดไม่มีอะไรตรงไหนที่ไม่รู้ในความสุขความทุกข์ในความไม่เที่ยงในรูปในนามเนี่ยมันก็เห็นมาแล้วมันพบเห็นมาแล้วความหลงก็เรื่องเก่าความรู้ก็เรื่องเก่าความโกรธก็อันเก่า ความทุกข์กอนเก่าความสุข ก, ก่อนเก่าแต่มันหยัดเอาต่างกันป่ปแต่ก่อนนี่ในความสุขมันหยัดว่าเป็นสุขในความสุขมันหยัดว่าเป็นทุกข์ในความพอใจต่อไปมันหยัดไม่พอใจในเรื่องเดียวมันเปลี่ยนตาบัดนี้มันเห็นแก่จ <c oughs> ึงหลอกไม่ได้ ได้เป็นมัญจาอบรูในกองสังขารกายสังขา ร, า ม, า ร, ารมากมายกิจตสังขารก็มากมายไอ้สังขารนี่มันเปลี่ยนเป็นวิสังขารสังขารมันเล่นเหมือนขอบกุดด้งไปรู้จักขบกุดด้งไหมฮะรู้จักไหม บกระด้งไปยังไงวัดโจกโต้มีกระด้งเหรอกระด้งมันเป็ขอบบนบนอย่างนี้อ่ะเราไม่แผยสารเป็นแผนสำหรับตากผักตากข้าวเกี่นั่นอ่ะลาสะพานอ่ะอันละก็เรียกกระด้งเอาข้าวไปตากแดดเท้านั้นอันละกระด้งเป็นขอบอย่างนั้น ลาวางไปไปขิ่งไปมันจริงลอ่อมันลอ่อลดลาเขาปากหนี่ยมก็ขิ่งไปตโอ้นสุดแรงมันเมื่อสุดแรงก็ร่มลงสุดแค่นั้นในความสุขไปถึงที่สุดก็สุดลงในความทุกข์แล่นไปก็สุดลงความรักแล่นไปก็สุดลงความโกรธแล่นไปก็สดลงหมดแรงโกรธมีไหม นะหมดแรงทุกมีไหมหมดแรงรักแรงชังไม่ไหมมันวิ่งไปจนสุดแรงเรียว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ยังพักมันอยู่จนหมดแรงซอกซอกซอกซอกซอกซอกเมื่อกิเลสตัณหากิดขึ้นซอกซอกซอกซอกเพื่อหามาสนองความอยากมันหลดแรงอืม อั้นก็นเเียได้ว่าขอบกอดด้งวิสังขารไม่พงแล้วหยุดแล้วจากแต่ว่าตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจคิดนึกทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นกำใจตกออกตกออกตกออ ก, ก, ออกมีหูก็มีตาก็มีแต่มันตกมือนทิ่งก้อนกวดใส่ต้นเสา ก้นขวดรู้จักก้อนขวดไหมเป็นอะไรก้อนขวดก้อนเหิน น, น้อยๆไม่ใช่ก้อนใหญ่นะเหินหน้อยสัมผัสพั๊บตกลงสัมผัสพั๊บตกลงถ้าดินเหนียวตกไหมโยนใส่ติดน่ะไม่ตกติดอยู่นั่นเป็นลอยนี่ไหมลอยลอยลักมีไหมัลอยชังมีไหมลอยได้ลอยเฉียะลอยจุกลอยทุกมีไหม ล อ, อยมีแต่ลอยหัวใจในลอยเจองมาซ่อมเหมือนรถถูกชนมาลอยลรักลอยผิดลอยถูกรอยได้ลอยเสียอกหักเสียใจดีใจมาซ่อมซ่อมให้มันดีขึ้นมาซ่อมคืออะไรู้สึกตัวรู้สึกตัว รู้สึกที่ใดก็ซ่อมแล้วลความหลงก ล, ก, กลายเป็นความรู้ดีกว่าเก่าความทุกข์กลายเป็นความรู้ความโกรธกลายเป็นความรู้ซ่อมแล้วความโกรธเธอแท้มาเป็นความรู้ความทุกข์เธแท้มาเป็นความรู้ความสุขเธอแท้มาเป็นความรู้ความหลงความชังมาเป็นความรู้ซ่อมแล้วจนมาตรฐานได้แบบมีแบบ ในกายในใจมีแบบแบบมันนี่เรียกว่าวิไนวิไนขึ้นนำไปวิไปว่าวิเศษมายะนำไปสู่ความวิเศษยอดเยี่ยมมันได้แบบเนี่ยจะให้มันเกิดกบอยู่ที่ไหนไปขยั่งข้างของแขกไปลีลีขวงๆวงอยู่ที่ไหน ถ้าเป็นเรือก็จอดเทียบท่าลองซ้องเหมือนรถจอดเขาทำเปนที่จอดเรียบร้อยออกก็ง่ายเข้าก็ง่ายมันเรียบร้อยไม่หลีหลีขวางขวางจิตใจก็เรียบร้อยกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยมันก็เป็นสินสินก็มีระเบียบเมื่อกายใจมีระเบียบอะไรก็มีระเบียบไปมากมาย อยู่ด้วยกันมากก็เป็นคนคนเดียวกันมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบอะไรก็ในตัวเราก็ขวางอยู่นะ่ขวางเอาไว้ขวางคือจัดโดยฉาน <c oughs> ไปทางขวางเหมือนจัดโดยฉานขวางเอาไว้เอาความรักมาขวางเอาความชังมาขวางในความชังทําดีได้ยาก ในความรักก็ทำดีรียากแล้ว ก, ก็สุดต่งเห็นแก่ตัวในความรักถ้าเป็นความรักแบบเมตตาการุณาลักไม่มีขอบเขตเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันคือความรักลักเพื่อช่วยไม่ใช่ลักเพื่อเห็นแก่ตัว นันก็สำเร็จถ้ารักแบบเห็งแจ่ตัวก็เหมือนกัน <c oughs> เพื่อเอาประโยชน์เพื่อเอาประโยชน์สนับสนุนคิดเหตตันหาความอยากของตนเองต่อรักเพื่อให้เหมือนพ่อแม่รักโลกต่อให้อะไรโลกมันมีความสุข ไม่ใช่ได้มีความสุขความรักที่ให้มีความสุขที่จุดความรักที่เอาเป็นทุกข์ึกๆึกภายในใจไม่รู้จักอี่มไม่รู้จักพอในความรักถ้ามันต้องการไม่รู้จักอิ่มถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มกินหอมหอมหอมจอกอ้อก ไม่รู้จักอิ่มถ้ารักเพื่อให้อิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจตัว น, นั้นจึงมันก็คือคบของจรในว่ดปฏิบัติธรรมแนวมันเป็นเรื่องที่มีศักดิ์ศรีสำหรับชีวิตของเราตอนนี้เขาลบปุกคลประเภทนี้มากที่สุดเลยเห็นคนเดินเข้าวัดแนว เราเคารพเขาเขาเดินขวัดเป็นถนะือว่าดีแล้วยิ่งมาปฏิบัติมาร่วมกันทำวัดสนวดมนต์ทั้งพระทั้งขีทั้งอวสชิบากานะยิ่งทำให้เราน ะ, ะเป็นบรรยากาศที่หล่อหลอมเราเข้าไปมม่มีศักดิ์ศรีอะ่ะถ้าใครเดินเข้าชุขโตนะี่พวกหลอมมองแบบมีเกียรติอย่างยิ่งหลายทีเดียว อย่าไปน้อยหน้าใครมาทำบัานมาอยู่ที่นี่มากินข้าวมาอยู่ทุกข์อยู่ยากด้วยกันนะไม่ใช่เรื่องน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเริ่มต้นแล้วเกิดความเห็นชอบแล้วเป็นลูกอรุณแล้วไม่เหมือนกับคนเดินเข้าบานนะครับลงหนังละครเที่ยวเทเลรอน เป็นเรื่องดีแล้วเวลามาปฏิบัติยังดีใหญ่จบ้ดยการทุกโวยกา ร, กยการอยู่แบบนี้คือแบบเสียฉละแบบนี้ไม่มีอะไรอะไรแบบนี้่าไปหวังเอาอะไรอะไรมันก็ได้อันหนึ่งได้แบบเสียฉละ ได้แบบใหงให้อะไรให้ไม่มีหมดระวว่าจคาะจาคะสละสละสละอารม์จาคะไม่ใช่ให้สิ่งให้ของอย่างเดียวจาคะตัวนี้สละอารม์เน่าที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจละว่าตั้งลงทานเลยายในหัวใจเรา สละอารมณ์เน่าที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจเด้ว่าจาคะมริจา่าใต้บุญใด้บุญถึงมรรคผลให้ผ่านจาคะตนนัวแดงอย่าไปมองถึงการให้วัตถุจริงของอย่างเดียวถ้าเราไม่มีโอกาสทำได้ขนาดนั้นก็จาคะตนนัวแดงให้มากผู้ที่ให้ิ่งให้ของก็จาค่ะอาก็ช่วยกันเพื่อให้เกิดความสะดวก มีอาหารการกินมีที่วัาใส่มีเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคจึงมีทั้งวัตถุมีทั้งวัต ถ, ถุทานธรรมทานภัยทานจาาข้าออกไปให้ครบผงจรมีหลงทานในหัวใจเราไม่รู้จัก เสนเชอตัวเสียสลาย่ังไงหัวใจเต็มเปลี่ยมเราจึงฝึกตนสอนตอนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำความเป็นได้ชอบไปเรื่อยๆไ้าบนหลงลูกว่าไปช่วยให้เกิดความเห็นชอบ แม่ไม่ยังไม่เห็นก็ทำไปก่อนบุกไปก่อนเซเวไปก่อนมีสติไปก่อนสติไม่มีอยู่ทุกโอกาสอาจจะไม่ต้องยกมือนอกรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้ไม่ต้องยกมือสร้างจังหวะไม่ต้องเดินจักรมก็ได้สิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่ก็มี เราหายใจเข้าออก <c oughs> มันเป็นกรรมอยู่ตลอดเวลาชีวิตเรากรรมมันติดตามอยู่เป็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วอยู่ที่ใจเราไม่ใช่กรรมที่เราเวลาเรามาทำบนญทำบาตเรากราบเราไหว้กรรมมันมีอยู่ตลอด หายใจเข้าลู้เวลาใดเรารู้เป็นกรรมดีความลูม่มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเวลาใดเราหลงเป็นกรรมชั่วความหลง ก, ก็พาไปไกลความลู้ก็พาไปไก ล, ล ก, ก่อนนอนก่อนตื่นถ้าอยู่กับเรื่องนี้ใหได้อยู่กับความลู้สึกตัวอาศัยลหมหายใจก็ดา ก็หลงไปความรู้ทุกโอกาสทุกกรณีมันจะหลงอที่ละเอียดที่สุดคือมันหลงอยู่ที่ใจไม่ใช่หลงอยู่ที่วาจาไม่ใช่หลงอ่วัตถุสิ่งของหลงอยู่ที่นามธรรมาอยู่ที่ใจมันหลงไปอะไรที่ใจที่มันหลงคิดไปปรุงแต่งไปให้มันเห็นรู้สึกตัว หายเจเข้าหายใออกก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็จับเลยรู้สึกตัวทันทีบางทีแม่ขี่างลาวมาอยู่กับเราสมัยต้นๆที่พุทธยยนพอตื่นนอนขึ้นมาไดไ้รู้ทำเลยอ่าแล้วก็แปลกเอ๊ะมันทำมาเออมัน พอตื่นขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปคิตจิตใจเปลี่ยนแปลงไปก็มาหาเราม้แต่อยู่ในทางเดินจังกรมวิญญาณอยู่ได้นะท่านั่งสร้างจังหวะถ้าเราใส่ใจมันมีออกน้ําเย็นได้เหมือนนักป่วยเขาชกกันบางคนออกน้ําเย็นรู้จักน้าเย็นไหมน้ำเย็นปา น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเวลามันไม่มีอะไรกิเลสมันตายไปได้น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนักมวยเขาโชกกันออกน้ำเยน็นออกอย่างไรฮะออกอย่างไรหลวงตามีเพื่อนคนหนึ่งค่อว่าอายบัญญัติเขาเป็นนักมวย แต่เราก็มาชอบดูมวยวก็มาคบกับเราเพราะว่าเขาชกมวยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาอาน้ําเย็นน้าเย็นยังไงเขาบอกว่าเวลาชกไปเวลาคู่ต่อสู้เขาให้น้ํานวดแข้งนวดขา ท, ทําท่าเหน็ดเหนื่อยไม่ลาใต้เนีก่ก็กระโดดลดเต้นอยู่ไม่ต้องไปนั่งให้ใหน้ำ <laughs> ก็ต้องไปนั่ง <c oughs> ให้คนให้น้ํานวดหน้านวดแขนนวดขายัางเดินชกหน้าชกหลังอยู่คนเดียวไม่ยอมนั่งคู่ต่อสู้เห็นโอ้ยเราเหนื่อยจะตายแล้วเขาทํามาเจ่งขนาดนี้วิศวก็ยกมือออกเลยไม่สู้แล้วออกน้าเย็นแล้วไม่ต้องต่อยกันเลย <c oughs> อันนี้เลยว่าขิเล็ดบางทีก็ทาท่าทําทางบ้างก็ได้อะไรที่ท่าทางไม่เป็นไร ไม่เป็นไรทุกไม่เป็นไรหนาวไม่เป็นไรร้อนไม่เป็นไรหิวไม่เป็นไรเจ็บปวดไม่เป็นไรมีบ้างไหมนะเออโอ้ยไเลยเลยโอ้ยไม่ไหวอย่างงั้นหละนักปฏิบัติหนึ่งเขาว่าไม่ไหวไม่ต้องพูดนะไม่เป็นไรอืมเทนินธาไม่เป็นไรเอาสัรเริญไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไร ทุกไม่เป็นไรทุกไม่เป็นไรข่มมันว่ารียว่าขม่มอะไรเรียกว่าตัดทงังคะบวิมุตต์หลุดพ้นอะไรก็หวัน่นแอะกระทบไปลอยหวันหวอะไรก็หวันไหวเห็นวัตถุสิ่งของก็หวันไหวได้ก็หวันไหวไม่ใช่มันลูกศิษย์เชญไปเรียนเชญ นั่งคุยกันเห็นใบไม้มันไหวใบไม้มันไหวก็เลยถามกันใบไม้ทําไมจึงไหวคนหนึ่งก็ตอบว่าเพราะมีลมไมีลมพัดมันจึงค่อยหวั่นไหวคนที่ถามก็ว่าผมว่ามันมีใบไม้จึงหวั่นไหวไม่ใช่เพราะลมถ้ามันมีใบไม้มันจะเอาอะไรมาหวั่นไหว แม่มีลมมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะนั่นต้องใบไม้แน่นอนมันหวั่นไหวนะยายไปอ้างว่าลมต่อนนี้ก็บอกว่าลมแท้ๆทั้งไม่มีลมใบไม้ไปจะไหวได้ยังไง <c oughs> มันต้องมีลมพัดตกลงกันไม่ได้พระอาจารย์สองคนเน่ะตกลงกันไม่ได้ต่างคนมีเหตุมีผลอาจารย์ก็อาจารย์เชิญก็บอกว่า ใบไม้ก็ไม่รอนไหวลงก็ไม่มีใบไม้ก็ไม่จะมันวันไหวที่จิตใจของเรามันไหวมันอยู่ที่นี่เด็กลูกศิษย์สองคนก็ได้บรรลุธรรมเลยโอ้มันไหวที่ใจเราน่ะมันจบอยู่ที่ใจมันทุกอยู่ที่ใจใช่ไหมมันรักมันชังอยู่ใจมันไหวอยู่เพรั้อย่าเอาใบไม้มากําหนดอย่าเอาวัตถุจริงของมากําหนดว่าผิดว่าถูกมันอยู่ที่ใจเรา วันดีเขาเนินทาหว่านไหวเขาสนเฉินหวันไหวเนินทาลบออกสนอนเฉินบวกเข้ามาสุกลบเข้าทุกลบออกอันหวัานไหวถ้าไม่เป็นไรลรวเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากก็ไม่ไหวอ่อนเอ ไม่ไว้อ่อนแอสวนทางมันลองดูหัดทวนกระแสของตัวเองเจ้าเจ้าทวนกระแสรเรื่องไหนกันที่สุดเหลยงเสียงถาดคิดถึงเพี้าไม่หยุดมาจิดไม่ไ ม, ไม่สำคัญนะคนอื่นอย่ากโกรธนะ คนาเดินสอนเราอย่าหลงนะอย่าทุกนะอย่าเบี่ยเบียนตนแรงนะอย่าบีเเนะาบ่เบียนคนอื่นนะเขาสอนเราดีดีแต่เราต้องมาสอนตัวเราไม่โกรธ้องไม่ทุกเราไม่บี่ยเบียนตัวเองเราไม่เบีเ่ยเบียนคนอื่นไม่ลงไปเลยทเจ้านี่เข้มแข็งต้องฉลาดสอนตนแรงอะไรที่มันอ่อนแอเข้มแข็งตัว น, นั้นไม่หวันว่นไหว ให้ก็นแน่นก้อนแข็จึงช่วยหลายๆทางตาเห็นโลกก็ไม่เป็นไรอะไรที่มันอยู่ในโลกลดของโลกมากตาเนินทาเสรนเรินสุขทุกข์ได้เสียมันลดของโลกปลุยมันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ในกายเรานี่ก็มีมันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตาไว้ก่อนอย่ายอ ม, มง่ายเป็นสุขง่ายเกินไปเป็นทุกข์ง่ายเป็นไปความสุขความทุกข์จะให้มันอยู่อยู่หน้าอยู่ตาเกินไปเอาไว้ลึกๆข้างหลังเอาไว้เป็นลายออกหน้า เหมนกับเขาว่าลีงเลี้ยงลูกลูกคนลักเอาไว้ข้างหลังน่นลูกคนจังเอาไว้ข้างหน้าลิงเลี้ยงลูก <c oughs> ลิ้ยงมีลูกสองตัวเคยเห็นไหย ม, มันเอาไว้ยังไงลูกของมันเอาไว้หน้าอกตัวหนึ่งไว้ไหนตัวหนึ่งถ้าตัวที่สอง เอาคีบาไวตัวไหนที่มันลักเอาไว้ข้างหลังตัวไหนที่มันชังหน้าดื้อเอาไว้ข้างหน้าหม <c oughs> ายคืออะไรหมายถึงอะไ ร, มะ ไ, รไม่ใช่เลียงเป็นธรรมสอนปิจนาธรรมควมลักไว้ข้างหลัง ความดีนี่ออกหน้าออกตาเลยยากยากคนเราแต่ความโชคออกบ่าง่ายๆต่อมาง่ายโทโสมโหออกหน้าออกตาพวกอภัยไม่พอใจออกไปข้างหน้าก็มีดีก็มมีไล่ออกไปข้างหน้าก่อนปลุกออกไปก่อนออกไปข้างหน้าไว้อันความไม่ดีออกหน้าออกตาเลยว่ารักความชังเอาออกหน้าเกินไป ไม่ใช่เลีงเราไม่ใช่เลีงเรเป็นปนัณฑุตเอาไว้ข้างหลังนำะความมดีเอาความดีออกหน้าไม่เป็นไรความดีออกไปก่อนเมตตากาุณาออกไปก่อนอย่าไปมองอะไรที่มันเห็นเจตัวเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขา <c oughs> ไม่เป็นไรเอาความดีออกหน้าออกตาไม่เป็นไรมีสติยนะังไง หัดทุกกลณีชีวิตของเรานะแล้วจะง่ายจะเรื่องยากเป็นลงงัง่าง่านร้องตาสมัยดังพูดเล่าพูดอีกไปสอนทมที่อาจารย์ทรงศิลอยู่ที่พยอบเชียงใหม่แต่ก่อนก็ไปทุกปีสมัยอาจารย์ทรงศิลเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นต่เท่ากันกับพระสองลูก นั่งรถขอนแก่นรถสีส้มมันล่อนรถเก่าต้องไปจองที่นั่งขึ้นไปนั่งเอาถ้าไม่นั่งอย่างนั้นมันจะไม่มีที่นั่งแอร์อัดกันแต่ก่อนไม่เจริญการช้รถเช้ลาต้องไปขึ้นขอนแก่นเชียงใหม่แล้วเก่าๆเครื่องอยู่ข้างหลังเบามันก็เก่าๆลาเครื่องมันติดอยู่มันก็ล่อนขึ้นแบง รถหลมเขาก็ไม่เปิดไม่ถึงเวลาออกอก็คนก็นั่งอยู่เต็มรถรอยเราก็ไปนั่งข้างหลังจองไว้เหงื้อโซมมันร้อนมากเอาพร อ, อาบน้ามาปิดเบไาไว้มันก็อยางร้อนขึ้นมาเพื่อนของเราโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่แย่แย่ไม่ไหวตายตายตาย พัดลมก็ไม่เปิดหวไหวไหวล้วก็นั่งอยู่ข้างๆเพื่อนแล้วก็เอาพูดในหัวใจเราเพื่อนว่าไม่ไหวเราว่าไหวไหวไหวไหวแต่ไม่เขาได้ยินนะเพื่อนว่าเขาไม่ไหวไม่ไหวเราว่าไหวไหวเพื่อนว่าแย่แย่เราให้แย่ไม่แย่ไม่แย่เพื่อนว่าตายตายเราก็บอกว่าไม่ตายไม่ตาย ไหวไหวไเงี้ยไม่แ ย, ย่มันก็สบายกกันใช่ไหมถ้าคนว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยโอ้ยหน้าตาก็ไม่ค่อยดีนะเราว่าแย่แย่เราว่าไม่แ ย, ย่ไม่แ ย, ย่เราว่าไหวไหวลักษณะของท่าทาก็ต่างกันนะอ่างเหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะมั้งร้อนภายในทั้งร้อนภายนอกแต่เราทำเย็นภายในเอาไว้ เย็นภายในหัวใจเราในความร้อนไม่ความเย็นในเตาหลอมเหล็กมันไม่มีความอิดอยู่นนั้นแต่ว่าร้อนภายนอกเย็นภายในหนาวภายนอกอุ่นภายในหิวภายนอกอิ่มภายในอิ่มยังไงเวลามาันเหนโอวแต่เราไม่ีความอุ่นคืออิ่มคืออะไ <c oughs> แล้วก็ โภมใจที่มันหิวม่าชีวิเรื่องทุกขนะ์ตาร่างกายมารู้จักหิวนะโภมใจอุ่นอิม่มใจว่าสุขภาพเราดีมากเลยมันหิวข้าวนะใช่ไหมเวลามันหิวหรอหิวทั้งฝายไหนหิวทั้งฝ่ายนอกมันก็หิวสองต่อเข้าไปซ้มเข้าไปเราจสุดตายนะจะบอกไง <laughs> อ า, อาจจะมือไม่งามแต่งามภายในหน้าตาไม่งามแต่งามภายในไม่คีทําแต่ลงทานอ่านผักเนือไม่งามแต่งามภายในเราทําจอบจับเสียงแต่ร่างกายไม่งามตาแต่กวามผลแต่งามภายในก็มีเหมืนอนกันนะหน้าเรามีสองหน้าหน้างานหน้าไหน หน้านอกหน้าในาไม่ใช่มีหน้าเดียวมีสองหน้าโวลาดา น, นว่าแรงรูปลุกลุยลกหลุย่แรงรูปลุกลู่ลกหลุ ย, ลลยเสพสัตตายกายสงเขียดคุ้งแต่จิตนั้นมงงโสการกุศลได้งฆาเปี้ยว แสนที่กุยก็ตามสั่งไอ้เจ้าจับเอาแก้วอันที่แห้งคาบมาว่าฟังรู <laughs> ้เรื่องไหมอีเลิกมันคาบแก้วมาคาบแก้วมาแก้วไม่ค่าแต่ว่าตัวแรกมันกุยเว้นชาบอย่าเอาแรงเอาแก้ววางคนเกียดติแรงไม่เอาเลยไอ้ที่คนบอก อดเอาไม่อดเลยอย่าโกรธต่อเพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธอย่าโกรธต่อเพื่อนแร้งค้าเพี้วเราไม่เชื่อไม่เอาไมโกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ถ้าไปโกรธก็เป็นหมาแหละมันด่าเราค่ะนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้วก็มายอมเอาจนตด้เอาความโกรธเข้าไนี่เอาเลยเอาแ้ว คำพูดของคนความดีในหัวใจเรามีอยู่มีความชั่วก็มีความดีในนั้นมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์อยู่ในนั้นมีความหลงก็มีความไม่หลงอยู่ในนั้นอย่าไปโจนเรื่องนี้กันก็บ่กไม่ไหวไม่ไหวเราก็ว่าว่าไหวไหวไม่มีใครมาจับเราก็บอกตายตายตายแล้วว่าไม่ตายไม่ตายอย่าโจน เราก็เอาภาพไปเปลี่ยนให้เพื่อนเขาก็ยังร้อนอยู่หาวิธีช่วยเขาก็ยังร้อนอยู่เราออกจากที่ดั้งของเราเอาไปให้เพื่อนเขายังไม่ ไ, ไหไม่ไหวตายตา ย, ตา ย, ตาย <c oughs> าเลอ่าสมควรใจเวลาการประอบการ